ชุกกะในมีอารามณปัจจัยเป็นต้นในองเลปัจจัยทั้งปวงกับปัจจัยที่ตั้งอยู่ในอารามณปัจจัยมีสามวาระเท่านั้น80เหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระละเหตุปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระ อารามณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระเหตุปัจจัยกับอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระเหตุปัจจัยกับอัญมัญญปัจจัยมีสามวาระ เหตุปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี๙วาระเหตุปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี๓วาระเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี๓วาระอาเสวณะทุกกนัย๘๑เหตุปัจจัยกับอาเสวณะปัจจัยมี๓วาระอารามณปัจจัยกับอาเสวณะปัจจัยมี๓วาระ อธิปติปัจจัยกับอาเสววนปัจจัยมีสามวาระอนันตรัปัจจัยกับอาเสววนปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับอาเสววนปัจจัยมีสาวาระสชาตปัจจัยกับอาเสววนปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสววนปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับอาเสววนปัจจัยมีสามวาระ อุปนิสัยปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระ มัคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสาวาระสัมปยุตต์ปจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปปยุตต์ปจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอิทธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ ในมุงเล็บปัจจัยที่มีอาเสวนาปัจจัยเป็นมูลไม่มีวิปปากัปัจจัยกรรมทุกกะไนแปเหตุปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีก้าวาระละวิปากทุกกะไนแปดสเหตุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามะนปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัย กับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมมันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยาปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระกามะปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตตะปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอัธิปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฏิปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บปัจจัยที่มีวิปากับปัจจัยเป็นมูลไม่มีอาเสวนะปัจจัย ทุกกรณ์มีอาหารปัจจัยเป็นต้นแปสิบสี่เหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับชานปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับวิปปยุติปัจจัยมีก้าวาระ เหตุปัจจัยกับอัติปัจจัยมีเก้าวาระเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตาทุกกนัย8สหเหตุปัจจัยกับอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยกับอวิคตาปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยกับอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ นัตถิปัจจัยกับอวิคตะปัจัจมีสามวาระวิคตะปัจัยกับอวิคตะปัจัยมีสามวาระในวงเล็บผู้สาธยายพึงทำปัจจัยแต่ละอย่างให้เป็นมูลแล้วนับดูเถิดอนุโลมจบสองปัจจยปัจจนาหนึ่งวิพังควานปั จ, จียะนเหตุปัจจแปดสิบหก สภาวธรรมที่เป็น อ, อกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน เ, เหตุปปัจจัยได้แก่มโมหะที่สหรรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอาเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุุกะขันสามและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบาเกิดขึ้นขันหนึ่งและ กาตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกาตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสเกิดขึ้มน ม, มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิต <Sydney> ส, สมุทฐานรูปและกาตตา รูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเราอสศัยญาตสัตยพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น ตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอารามานปัจจัย87สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอารามานปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะ นารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นนกุศนเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอัพยกตกิริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูป อาศัยขันที่เป็นอัพยากตวิบาหเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานอรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาจารย์ศสัตต์พรมพมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง 3, เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสาเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริด อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึน้นเพราะนารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ทีท่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปเกิดขึ้น ณอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรม88สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิป mm ัจ hmm. จัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สาเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ ณอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สาม ерт, และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามาอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองรรอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เ <waves> ป <Caucas ian> ็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต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 มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยเตแก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็น Award. อัพยากฤะเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ติตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอนันตรัปัจจัยและณสมานันตรัปัจจัย 89. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอนันตรัปปจัย เพราะณอนันตรัปัจจัยเพราะณสมานันตรัปัจจัยได้แก่จิตตะตมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นณอนันตรัปัจจัยและณสมานันตรปัจจัยเหมือนกับอารามณปัจจัยณนะอัญญมัญญปัจจัย90สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศั ย, ศ ย, ศยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอัญญมัญญปัจจัย ได้แก่จิตตสมุทฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณัญญมัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอนนัตเพราะณัญญมัญญปัจจัย ได้แก่จิตตะมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยขันที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นจิตตะมุทานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น อุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสำหรับเล่าอสัญญัตตปรมกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณอรญยมัญญปัจจัย ไดก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาประธาที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะณอัญญมัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอุปนิสัยปัจจัย91 สภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพรานะณอุปนิสิยปัจจัยได้แก่จิตตสมุธฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในวงเล็บณนะอุปนิสยปัจจัยเหมือนกับอารามานพเหมือนกับณนะอารมาปัจจัยนณะปุเรชาตปัจจัย92 สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัย um สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานอรูป อาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัย ได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น จิตตมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอนภยากตกิริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันธ์สองและกัตตารูปอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและกัตตารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาม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 ได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะปุเรเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น นัปัจฉาชาตปัจจัยและนัอเสวนปัจจัย93สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนับปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนัอเสวนปัจจัยได้แก่ อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลในวงเล็บนับปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยเหมือนกับณอธิปติปัจจัยนกกรรมมปัจจัย94สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนกกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลอาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะ นกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่อัพยากตกริยาอาศัยขันที่เป็นอัพยากตกริยาเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนวิปากปับัจจัย 95. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากับัจ ได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามาระสภาวธรรมท mm. <igious You, S 2> ี er. in in ่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยมีสามาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยกันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยกัน ส, งส 2, องเกิดขึ้นมหาภูต ร, รูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและจิตตสมุทฐานอรูปเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอาหารปัจจัย96สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะอาหารณ เพราะณนะอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นตมุฏฐานสำหรับลาวัตัญยสัตตพรมมหาภูตรูป 3, อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละกัตะตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณนะอินทริยปัจจัย97สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ์เกิดขึ้นเพราะณอินทรียปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเราอาจารญ์ศตพรมรูปชีวิตินทร์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณชานปัจจัย ก้าสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนาชานปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สารคตรด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึนข้น 2. ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับลาวัญญสัตตพรม มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนมัคคปัจจัย9กสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนามัคคปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะ ซึ่งเป็นอพยากตวิบากและอภยากตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสาและกัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัภยากตวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและกัตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้น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 ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรฐานที่มีอุตุเป็นสมุทรฐานสำหรับเราอาจรย์ัตรพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนัสามประยุติปัจจัยหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่เป็นอพยกริ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนสัมปยุตตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารัมณปัจจัยนวิปยุตตาปัจจัยหนึ่งรอยเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ณอรูปาวจร ได้แก่ในวรูปปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นข <what> <friendly> <par peg> ันหนึ Goodnight ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปปยุตตปัจจัยได้แก่แนรูปได้แก่แนรูปปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ขันหนึอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัปพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตาปัจจัยแต่แก่ในรูปปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัปพยากตวิบากและที่เป็นอัปพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นที ah ่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับปราวาสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปสมาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโนนัติปัจจัยและโนวิขตปัจจัย1 0ึ่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะโนนัติปัจจัย พระโนวิคตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในวงเล็บสองปัจจัยนี้เหมือนกับณอารมณปัจจัยสองปัจจยะปัจจนียะสองสังขยาวานคณะณมูลกนัยหนึ่งร้อยสามในเหตุปัจจัยมีสองวาระ นอารามณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสติปจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัชชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระ นักกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตาปจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคขตาปจัยมีห้าวาระ นาเหตุทุกกนันหนึ่งยสี่นอารามานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอนันตรัปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสตยะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตปัจ so จัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระณาอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นชานาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระติกรไนหนึ่งยห้า ณอาทิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมันตระปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอุปน uh ิสตยปัจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจจัยก well, ับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาสามปยุติแตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิประยุติแตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมี1วาระละวีสกนัยหนึ นวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสติยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยนกรรมมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินตรียปัจจัย นาชานปัจจัยนมัคคะปัจจัยนสะัมปยุตตปัจจัยนะยจจยนะวิปยุตตปัจจัยและโนนติปัจจัยมีหนึ่งวาระนะเหตุตุมูลกานายัยจบ